ทัศาาวัตหนึ่งนิโรธกถาว่าด้วยนิโรธห้า้อยเจ็ดสิบเอ็ดสกเมื่อขันห้าที่แสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับขันห้าที่เป็นกริยาก็อุบัติใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งขันสิบขันสิบมารวมกันได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมีการประชุมแห่งขันสิบ ขันสี่มารวมกันได้ใช่ไหมปอรอใช่สกมีการประชุมแห่งภัษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อขันห้าที่สแสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับขันสี่ที่เป็นกริยาก็อุบัติใช่ไหมปอรอใช่สกมีการประชุมแห่งขันเก้าขันเก้ามารวมกันได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกมีการประชุมแห่งขันเก้าขันเก้ามารวมกันได้ใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งภัษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อขันห้าที่แสวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับยานที่เป็นกริยาข้ออุบัติใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งขันหกขันหกมารวมกันได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมีการประชุมแห่งขันหกขันหกมารวมกันได้ใช่ไหมปรใช่ ส, สกมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรเมื่อควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อยเจ็สิบสองปรเมื่อขันห้าที่สแสวงหาปฏิสนธิดับมักก็อุบัติใช่ไหมสกใช่ปร บุคคลตายแล้วเจริญมรรคได้บุคคลทำกาละแล้วเจริญมรรคได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนิโรธกถาจบสองโร ป, ปังมคโคติกคถาว่าด้วยรูปเป็นมรรคห้าร้อยเจ็ดสิบสาสกรูปของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นมรรคใช่ไหมปรใช่สก รูปเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจความสนใจความใฝ่ใจความจงใจความปรารถนาความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรใช่สก หากรูปเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นมรรคสกสัมมาวาจาเป็นมรรคใช่ไหมปรใช่สกสัมมาวาจาเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกสัมมาวาจาเป็นสภาวะธรรม ar, ที่รับรู <promotions> ้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรใช่สกหากสัมมาวาจาเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัมมาวาจาเป็นมรรคสกสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมรรคใช่ไหมปรใช่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 ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัมมาอาชีวะเป็นมร574สกสัมมาทิฏฐิเป็นมร๕และสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกสัมมาวาจาเป็นมร๕และสัมมาวาจานั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได มีความนึกถ kind of ึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาทิฏฐิเป็นมัคและสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมัคและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นมัคและสัมมาสมาธินั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกสัมมาวาจาเป็นมัค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 สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเป็นมัคและสัมมาส ม, มาธินั้นเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อยเจ็ดสิบห้าปอรรท่านไม่ยอมรับว่ารูปของบุคคลผู้มีความพร้พรอมด้วยมัคเป็นมัคใช่ไหมสกใช่ ปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมรรคไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะเป็นมรรคดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นมรรครูปังมรรคโธติกถาจบ สาบัญจวิญญาณะสมังคิสมัครภาวนาคถาว่าด้วยการเจริญมรรคของผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณห5าห็ดสิกสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณหมีการเจริญมรรคใช่ไหมปอรอใช่สกวิญญาณหมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุมีธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปอรอใช่สก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 บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณห้ามีการเจริญมรรคได้ห้า้อยเจสเจ็ดกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจกักรวิญญาณมีการเจริญมรรคใช่ไหมปร aud, ใช่สกจักรวิญญาณปรารุกความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปร aud, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจักรวิญญาณปรารุกความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปร aud, ใช่สก เพราะอาศัยจักสุและความว่างจะขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยจักสุและความว่างจะขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและความว่างจะขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงหรือปรไม่มีสกพระสูตรที่ว่า เพราะ อ, อาศัยจักระสุและรูปจกขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรใช่สกหากพระสูตรว่าเพราะ อ, อาศัยจักสุและรูปจกขู่วิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็มิควรยอมรับว่าเพราะ อ, อาศัยจักระสุและความว่างจะขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นห้า้อยเจ็ดสิบแปดสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมได้จักขูวิญญาณ ม, มีการเจริญมากใช่ไหม ปอรอใช่สกจะขูวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมได้จกักขูวิญญาณมีการเจริญมากใช่ไหมปอรอใช่สกจะขูวิญญาณปราลบัจจะปรารพเวทนาปรารบสัญญาปราพเจตนาปราจิตปราจักรสุปราบรรรรร ก, รรกาย ปรารฏเสียงปรารฏโลทภาพเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณมีการเจริญมักมโนวิญญาณปรากฏความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขววิญญาณมีการเจริญมักจักขววิญญาณปรากฏความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยโมโนวิญญาณมีการเจริญมกักมโนวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจกักรวิญญาณมีการเจริญมกัจกจักูวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พร่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณมีการเจริญมาก มนุกวิญญาณปรารกผัสสะปรารกเวทนาปรารบโภธาภะเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พ ร, พร้อมด้วยจักขุวิญญาณมีการเจริญมักจักขุวิญญาณปรารกผัสสะปราลกเวทนาปราลบโภธาภะเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสิเกปรท่านไม่ยอมรับว่า บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณห้ามีการเจริญมักใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิในนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่รวบถือไม่แยกถือฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายแล้วเป็นผู้ไม่รวบถือไม่แยกถือ มีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ป ร, รดังนั้นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณห้าจึงมีการเจริญมากได้ปัญจวิญญาณะสมังคิสมัคคภาวนากถาจบสปัญจวิญญาณากุสลาปิอากุศลาปีติคาถาว่าด้วยวิญญาณห้าเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีห้าร้อยแปดสิบ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 ไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกันวิญญาณห้าไม่มีความผูกใจไม่ใช่หรือปอรอใช่สกหากวิญญาณห้าไม่มีความผูกใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิญญาณห้าเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีห้า้อยแปดสิเอ็ดสกจะผูกวิญญาณเป็นกุศลใช่ไหมปอรอใช่สก จะขู่วิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจกขู่วิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยจักรสูและความว่างจกขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยจักรสูและความว่างจะขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหม รใช่สกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและความว่างจกขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงหรือปรไม่มีสกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจกขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรใช่สกหาพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจะขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริง ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักรสุและความว่างจะขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นห้าร้อยแปดสิบสองสกจะขูวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีใช่ไหมปรใช่สกจะขูวิญญาณปรารพอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจะขูวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีใช่ไหม ปรอใช่สกอจะขววิญญาณปราลบัสจะปรารบจิตปรารบจักรสุขปรารบกายปรารบเสียงปรารบโภธาภะเกิดขึ้นใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอมโนวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมโนวิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรอใช่สกอจะขววิญญาณเป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มีจากโควิญญาณปรารบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมโนวิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกจากโควิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีจากโควิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหม ปร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีมโนวิญญาณปรารบผัสสะปรารบจิตปราบจักขุปรารบกายปรารบเสียงปรารบโผฏฐพะเกิดขึ้นใช่ไหมปร์ใช่สกจักโผลวิญญาณเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีจักโผลวิญญาณปราบผัสสะปรารบโผฏฐพะเกิดขึ้นใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยแปดสิบสามปอรอท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณห้าเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีใช่ไหมสกใช่ปอรอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือฟังเสียงทางหู ถูกตั้งโพธภะทางกายแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรดังนั้นวิญ ญ, ญาณห้าจึงเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีปัญจวิญญาณาปุสลาปิอกุสลาปีติกะถาจบห้าสาโพคาติกถาว่าด้วยวิญญาณห้ามีความผูกใจ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 ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอจะขู่วิญญาณปรากฏความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปอรอใช่สกอเพราะอาศัยจักสุและความว่างจะขู่วิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอเพราะอาศัยจักสุและความว่างจะขู่วิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปอรอใช่สกอพระสูตรที่ว่า เพราะอาศัยจักสุและความว่างจะขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงหรือปรไม่มีสกพระสูตรที ans, ่ว <sincer> ่าเพราะอาศัยจักรุและรูปจกขูวิญญาณจึงเกิดขึ้มีอยู่จริงใช่ไหมปรใช่สกหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักรสุและรูปจกขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า เพราะอาศัยจักสุและความว่างจะขู่วิญญาณจึงเกิดขึ้นสกจะขู่วิญญาณมีความผูกใจใช่ไหมปรใช่สกจะขู่วิญญาณปรารบอดีตและอนาคตเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจะขู่วิญญาณมีความผูกใจใช่ไหมปรใช่สกจะขู่วิญญาณประลบผัสสะ ป ร, ประโผทภากเกิดขึ้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนวิญญาณมีความผูกใจมโนวิญญาณประความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรอใช่สกจักขวิญญาณมีความผูกใจจักขวิญญาณประรบความว่างเกิดขึ้นใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนวิญญาณมีความผูกใจ มโนวิญญาณปรารบอดีตและอนาโคเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สกจากผู้วิญญาณมีความผูกใจจากผู้วิญญาณปรารบอดีตและอนาคคเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนวิญญาณมีความผูกใจมโนวิญญาณปราลบัติสะปราลบโธทัพะเกิดขึ้นใช่ไหมปรใช่สก จะขูวิญญาณมีความผูกใจจะขูวิญญาณปรารบผัสสะปราลบโภธาภาเกิดขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าอแปสิหกปรท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณห้ามีความผูกใจใช่ไหมสกใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือ ไม่เป็นผู้รวบถือถูกต้องโภทพะทางกายแล้วเป็นผู้รวบถือไม่เป็นผู้รวบถือมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นวิญญาณห้าจึงมีความผูกใจสาโภคาเตียกะถาจบ ว่าด้วยศีลสองอย่างห้าปดสสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมได้มักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสองใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมได้มักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยภาษาสองเวทนาสองสัญญาสองเจตนาสองจิตสองศรัทธาสองสติสองสมาธิสอง ปัญญาสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโลกิยะศีลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมักเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะที่เป็นโลกิยะเวทนาที่เป็นโลกิยะสัญญาที่เป็นโลกิยาเจตนาที่เป็นโลคิยาจิตที่เป็นโลคิยะศรัทธาที่เป็นโลกิยะ วิริยะที่เป็นโลกิยะสติที่เป็นโลกิยะสมาธิที่เป็นโลกิยะปัญญาที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปอรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยภัจะที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลที่เป็นโลกิยะใ ช, ยชใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นปุถุชนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าปดสสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรค เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้ยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้มรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้มรรค เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นโลกิยะสัมมาวายามะที่เป็นโลกิยะสัมมาสติที่เป็นโลกิย ะ, ะ <Eld ers> สัมมาสมาธิที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมากรรมมันตะที่เป็นโลกิยะสัมมาอาชีวะที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปอรอใช่สก บุคคลผู้พรั like right. ่งพร้อมด้วยมัคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะสัมมาสมมาธิที่เป็นโลกิยะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมัคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปอรรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมัคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลคิยะ และโลกุตระใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาที่เป็นโลกียะและโลกุตระใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นโลกียะและโลกุตระสัมมาวายามะที่เป็นโลคียะและโลกุตระ สัมมาสติที่เป็นโลกคียและโลกุตระสัมมาสมาธิที่เป็นโลเคียและโลกุตระใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมัจเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมากรรมมันตะที่เป็นโลเคียและโลกุตระสัมมาอาชีวะที่เป็นโลเคียและโลกุตระใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมั เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลคิยะและโลกุตระใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาอาชีวะที่เป็นโลคิยะและโลกุตระใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นโลคิยะและโลกุตระ สัมมาสมาธิที่เป็นโลคิยะและโลกุตระใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อยปดสิปอรรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสองใช่ไหมสกใช่ปอรรเมื่อโลคิยะศีลดับไปแล้วมรรคจึงเกิดขึ้นใช่ไหมสกใช่ปอรรบุคคลผู้ทุศีลมีศีลขาด มีศีทลทะลุเจริญมักได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมกักจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสองทวีหิสีเลหิคาถาจบเจ็ีลังอเจตสิกันเตคกถาว่าด้วยศีลไม่เป็นเจตสิกห้าเก้าสิบสกศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหม ปรใช่สกศีลเป็นรูปเป็นนิพานเป็นจาักขายาตณะเป็นกายายตณนะเป็นรูปายตณะเป็นโผฏฐายตณะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศีลไม่เป็นเจตสิก clar, ใ, ใช่ไหมปรใช่สกภาษาไม่เป็นเจตสิก clar, ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกภาษะเป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เวทนาสัญญาเจตนาสัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่ออใชสกศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยก้อสกศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่ออใชสกศีลมีผลที่ไม่น่าปรารถนาใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศีลมีผลที่น่าปรารถนาไม่ใช่หรือปรใช่สกหากศีลมีผลที่น่าปรารถนาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกสกศรัทธามีผลที่น่าปรารถนาศรัทธาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลเป็นเจตสิกใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิริยะสติสมาธิปัญญามีผลที่น่าปรารถนาปัญญาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่ สกศรัทธามีผลที่น่าปรารถนาศรัทธาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศีลมีผลที่น่าปรารถ น, นศรราศีญญาลญญไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกวิริยะสติสมาธิปัญญามีผลที่น่าปรารถนาปัญญาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห bon ้า้อยสิบสอง สกศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกศีลไม่มีผลไม่มีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศีลมีผลมีวิบากไม่ใช่หรือปรใช่สกหากศีลมีผลมีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกสกจักขายาตณะไม่เป็นเจตสิก ไม่มีวิบากใช่ไหมปรใช่สกศีลไม่เป็นเจตสิกไม่มีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตายตนะกายายตนะรูปายตนะโพธพายตนะไม่เป็นเจตสิกไม่มีวิบากใช่ไหมปรใช่สกศีลไม่เป็นเจตสิกไม่มีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกศีลไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกจักขายาตนะไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น Clear <Yes, S 2> สกศีลไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกโสตญาตนะกายญาตนะรูปายตนะโพธพายตนะไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหม ปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยเก้าสิบสามกสมาวาจาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรอใช่สกสัมาทิฏฐิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมาวาจาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรอใช่สกสัมาสัมกัปปะสัมาวายามะสำมาสติ สัมมาสมาธิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกสัมมาทิฏฐิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาอาชีวะไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะสัมาสติสัมมาสมาธิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอสัมาทิฐิเป็นเจตสิกใช่ไหมปอรอใช่สกอสัมมาวาจาเป็นเจตสิกใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอสัมมาทิฐิเป็นเจตสิกใช่ไหมปอรอใช่สกอสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะเป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่สกสัมมาวาจาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาสมาธิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรใช่ สกสัมมารกรรมันต์สัมมาอาชีวะเป็นเจตสิกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าเก้าสิบสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมสกใช่ปรเมื่อศีงเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลผู้มีศีลดับไปแล้วนั้นเป็นผู้ทุศีลใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้น ศีลจึงไม่เป็นเจตสิกศีลังอเจตสิกกันติกคาถาจบ8ปศีลังนจิตตานุปริวัตติติคาถาว่าด้วยศีลไม่คล้อยไปตามจิตห้าร้าสบห้าสกศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมป ร, รใช่สกศีลเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจกักขาญตนะเป็นโพธพายาณะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกพัฒนาไม่ค ล, อออลค้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกภาษะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกศีลคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สก ศีลคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อยเกสกสกสัมมาวาจาไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกสัมมาทิฏฐิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาวาจาไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกสัมมาทิฏฐิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาอาชีวะไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหม ปรใช่สกสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาทิฐิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกสัมมาวาจาคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกสัมมาทิฏฐิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรใช่สกสัมมาวาจาคล้อยไปตามจิตใช่ไหม ปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสขอสัมมาสมาธิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปอร์ใช่สกอสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดปอร์ท่านไม่ยอมรับว่าสีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมสกอใช่ปอร์เมื่อสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป บุคคลผู้มีศีลดับไปแล้วนั้นเป็นผู้ทุศีลใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นศีลจึงไม่คล้อยไปตามจิตสีลังนะจิตตานุปริวัติติกระทาจบ 9. สมาทานเหตุกรทาว่าด้วยศีลมีการสมาทานเป็นเหตุห้า้อยเก้าสบสก ศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมปรใช่สกภัษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมปรใช่สก ีเจริญได้เหมือนเถาวันเหมือนเถ า, า, าย่านทรายเหมือนต้นไม้เหมือนต้นหญ้าเหมือนหญ้าปล้องใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้เก้าสบกศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมปรใช่สกเมื่อบุคคลสมาทานศีลแล้วตรึกถึงกามวิตกตรึกถึงพยาบาทวิตกตรึกถึงวิหิงสาวิตกอยู่ จีเรนได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมป ร, รใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาว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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้หกร้อยปอรรท่านไม่ยอมรับว่าศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมสกใช่ปอรรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดปลูกศนอันน่ารื่นรม ปลูกป่าชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุจึงเจริญได้สมาทานเหตุตุกถาจบสิ 10. วิญญาติสีลันติกถาว่าด้วยวิญญาติเป็นศีลหกร้อยหนึ่งสก วินญาตเป็นศีลใช่ไหมปรใช่สกวินญาตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวินญาตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวินญาตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในการใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก วิน ญ, ญาตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการพูดเท็จใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิน ญ, ญาตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการเสพของหม็นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการกราบไหว้เป็นศีลการลุกรับเป็นศีลการทำอัญเชลีเป็นศีลการทำสามีจิกกรรมเป็นศีล การจัดอาสนะให้เป็นศีลการจัดที่นอนให้เป็นศีลการจัดน้ำล้างเท้าให้เป็นศีลการจัดรองเท้าให้เป็นศีลการนวดหลังในเวลาอาบน้ำเป็นศีลใช่ไหมปรใช่สกศีลเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาตเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการเสพของเหม็นเมาคือสุราและเมรัย ท่นเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้สองปรท่านไม่ยอมรับว่าวิญญัติเป็นศีลใช่ไหมสกใช่ปรวิญญัติเป็นความทุศีลใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นวิญญัติจึงเป็นศีลวิญญัติศีลันเติกคาถาจบสิ 11. ออวิญญัติ พีละยันเตกถาว่าด้วยอวินยัตเป็นความทุศีลหกร้อยสามสกอวินยัตเป็นความทุศีลใช่ไหมปรอใช่สกอวินยัตเป็นปาณาติบาใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอวินยัตเป็นอธินนาทานใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อวินยัตเป็นกาเมสุมิฉาจารย์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกออวินยัตเป็นมุสาว่าใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกออวินยัตเป็นสุราเมรรยมัชะปมาทัตฐานะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอเมื่อบุคคลยึดถือบาปกรรมตั้งใจทำกรรมชั่วแล้วให้ทานอยู่ บุญและบาปทั้งสองอย่างเจริญได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุญและบาปทั้งสองอย่างเจริญได้ใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมีการประชุมแห่งพัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรใช่สก สภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีสเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหม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 ต้อนรับผู้ควรต้อนรับทำอัญเชลีแก่ผู้ควรทำอัญเชลีทำสามีจิกรรมแก่ผู้ควรทำสามีจิกรรมให้อาสนะแก่ผู้ควรให้อาสนะให้ทางแก่ผู้ควรให้ทางบุญและบาปทั้งสองอย่างจเจริญได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุญและบาปทั้งสองอย่างจเจริญได้ใช่ไหมปรใช่สก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 และเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้หกร้อยสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าอาวิญญตัตเป็นความทุศีลใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลเป็นผู้ยึดถือบาปกรรมไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากบุคคลเป็นผู้ยึดถือบาปกรรมตั้งใจทํากรรมชั่วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอาวิญญตัตเป็นความทุศีล พวิน ญ, ญาติทุศสีละยันติกถาจบทัศมวักจบรวมคถาที่มีนวิวรัก์นี้คือ 1. นิโรธกถาสองรูปังมะโคติกถา 3. ปัญจวิญญาณสมังคิสมังคภาวนาคถา 4. ปัญจวิญญาณากุสลาปีอากุสลาปีติกถา 5. ้าชาโภคาเติกถา 6. ทวีหิ สีเลหิกถาเจ็ 7. สีลังอเจตสิกันเติกถา 8. ปสีลังนาจิตตานุปริวัติติกถา 9. สมาทานเหตุกถาสิ 10. วิญญาติสีลันเติกถาสิ 11. ออวิน ญ, ญาติทุศีลยันเติกถาทุติยปัญ น, นาจบรวมวัคที่มีในทุติยปัญ น, นาตนี้คือวัคที่หก เริ่มด้วยนิยามกรถาวรที่เจ็ดเริ่มด้วยสังหิตกากรถาวรที่แปดเริ่มด้วยฉาคติกรถาวรที่เก้าเริ่มด้วยอานิสังสะทัสสาวีกถาวรที่สิบเริ่มด้วยนิโรธกรถา